ใจกันทาบุญถวายสังฆทานในขณะเดียวกั น, น, นก็ตั้งจิตที่จะรักษาศีลให้ดีทานและก็ศีล ม, มันก็เป็นการทําบุญที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสุข นอกจกทานและศีลแล้วก็มีภาวนาภาวนาคือการฝึกใจให้สงบเย็นเป็นสุขแล้วก็เกิดปัญญาทานนี่มันเป็นเรื่องการเกี่ยวข้องกับสิ่งนอกตัวซึ่งแสดงออกด้วยการสละสีนี่เป็นเรื่องของการดูแลกายวาจา ให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครแต่เท่านั้นไม่พอนะเพราะคนเรายังมีใจเดื่อนอกจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งของและกายวาจาให้ถูกต้องแล้วนะเราก็ต้องเกี่ยวข้อกับใจของเราให้เป็นก็นนคือดูแลรักษาให้เป็นปกติรวมทั้งฝึกฝนนะให้เป็นจิตที่อ่อนโยนสงบ ฝ่ในคุณธรรมความดีเช่นนี้เมตตากรุณาและรวมทั้งเปิดใจใหเห็นความจริงด้วยสิ่งที่ตามความสุขความดีความจริงและความสุขนี่มันเกี่ยวข้องกันมากเลยนะถ้าเราทําความดีแล้วก็เห็นความจริงการมีความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่าย ทำความดีอย่า ง, ยางเดียวไม่พอนะเพราะว่าถึงแม้เราจะทำความดีอย่างไงมันก็อาจจะมีเหตุร้ายสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามากระทบกับตัวเราเช่นคำพูดคำนินทาคคำว่า ก, กล่าวรวมทั้งต้องเจอกับความพักดพลาดสูญเสีย ทำความดีแค่ไหนบางทีทรัพย์สินก็ต้องสูญหายไปผูกคนขโมยบ้างรถหายบ้างน้ำท่วมบ้างพว้นี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนดีและคนชั่วแต่ที่นี้ไม่คนก็คือความเจบความป่วยทำดีแค่ไหนก็ต้องมีวันเจ็บวันป่วยแล้วก็มีวันแก่ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นความจริงว่านี่เป็นธรรมดาธรรมชาติเราก็จะทุกข์นะกับความสูญเสียความพลาดพลาดทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความป่วยรวมทั้งในส่วนขความตายทําความิงก็อย่างทุกข์เพราะว่าใจยังไม่เห็นความจริงก็เลยยึดมั่นถือมันให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจปรารถนา คือให้มันเที่ยงให้มันสุขอย่างร่างกายเนี่ยเราจะให้มันเที่ยงอย่างไงมันก็ไม่ยอมเที่ยงจะให้มันสุขยังไงมันก็ไม่ยอมสุขกับเรานะเราจะนั่งในอุปยรบท์ที่สบายแค่ไหนจะไข่ห้างหิมเสาหรือว่านอนแต่สักพักสักครู่หรือไม่นาน ก็จะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยไม่ว่าเราจะอยู่ในอิเลียบทใดที่เราคิดว่าสบายที่สุดมันก็ไม่ใช่จะให้ความสุขกับเราเอแท้จริงเพราะว่าในสุดก็ปวดก็เมื่อยแม้แต่เวลานอนใครคิดว่านอนสบายเนี่ยพวกเราเป็นพยาบาลก็รู้ดีนะคนไข้ที่นอนเอาแต่นอนนี่ก็ไม่ได้มีความสุขเลยแตมมีแผลกดทับอีกอันนี้ก็ เป็นการเชื่อเห็นว่าเราไม่สามารถจะยึดสิ่งใดว่าจะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงได้เลยมเมื่อไห็ความจริงเช่นนี้ใจเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดมันถือมัน่นแล้วก็สามารถที่จะยอมรับความจริงต่างๆที่ไม่เที่ยงที่แปรปรวนที่เป็นทุกข์ได้ เมื่อเรายอมรับมันได้เนี่ยใจเราก็เป็นสุขสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็เป็นแค่ทุกข์กายทุกข์กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะที่ว่าความดีความสุขและความความดีความจริงและความสุขเนี่ยนะความสุขที่ว่านี้จะหมายถึงความสุขใจให่ความสุขกายเนี่ยมันมันไม่เทียบ หรือแม้แต่ความสุขใจถ้าเกิดว่าเราเป็นความสุขที่มันไม่ใช่เกิดจากปัญญาแล้วเกิดจากการเสพการฟันฟุ้งปรุงแต่งมันก็ไม่เชี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยสุขที่แท้คือสุขที่มันอยู่เนื้อทุกและนเนื้อสุขดัน้นทางศีลภาวนาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญมากต้องทําให้ครบถ้วนจะทําแต่ทางและศีลไม่พอต้องภาวนาด้วย ถึงจะได้บุญอย่างแท้จริงและบุญนั้นก็จะรักษาปกป้องเราให้มีความสุขแม้ว่าจะยังต้องจะต้องเจ็บต้องป่วยนะั้นแต่ว่าใจเป็นสุขสงบเย็นได้กานที่ทานสีภาวนานี่เราสามารถจะทำได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าต้องมาให้ทานเฉพาะพระสงฆ์มีพระสงฆ์มาถึงจะบำเพ็นทานได้ ไม่ใช่ว่าต้องมีพระมาให้ศีลเราถึงจะรักษาศีลได้ไม่ใช่ว่าต้องมีพระมานำภาวนาเราถึงจะภาวนาได้บางคนไปเข้าใจว่าต้องมีพระให้กรรมฐานใช่ก่อนกิน จ, จะทำกรรมฐานได้ไม่ใช่ทําได้ทุกเวลาทําที่ทํางานก็ได้โดยเฉพาะโยมส่วนใหญ่ในเวลาแต่รวยก็มีเวลาใช้เวลาจํานวนไม่น้อยที่นี่ในที่ทํางาน เราสามารถจะทำบุญได้ทุกเวลาทุกที่ไม่ใช่เฉพาะเช้านี้เท่านั้นเดินไม่ใช่เฉพาะเวลามีพระมาเท่านั้นการทํางานกับการทําบุญนี่มันไม่ได้แยกจากกันนะเช่นเดียวกันการทํางานการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเราสามารถทาให้การทํางานนั้นเป็นการทําบุญ และเป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าอาจารย์ท่านท mm hmm. ่านเน้นอยู่เสมอว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมนะบุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเราอยู่ในที่ทํางานเราก็สามารถจะอออเ อ, จอื้อเฟื้อเจอจารได้ถ้าเอื้อเฟื้อเจอจารทางวัตถุเราเรียกว่าทานถ้าเอื้อเฟื้อเจอจารด้วยกําลังด้วย สติปัญญาหรือเป็นจิตอาสาอย่งนี้ก็เรียกว่ า, าบังเทนสีนะสีนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสีห้าเพราะสีนี่หมายถึงว่าความประพฤติทางกายวาจาสีห้านี่เป็นขั้นต้นแต่มันมีสีนีดเยอะอย่างเช่นมีถ้าเกิดว่าเราขนขวายเรื่องส่วนรวมมันนเป็นบุญเรียกว่าวิญญาณจะใหม่ วัยวัตกรมหมายคือบุญที่เกิดจา ก, การช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนรวมนะถ้าเราทำงานแล้วเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำด้วยความพยนบามเพียงอันนี้ก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราทำงานแล้วเราพยายามอดกลั้นต่อความโกรธความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นในใจ อันนี้ก็ถทกว่าเรากําลังภาวนาแล้วภาวนาการฝึกใจถ้าเราฝึกใจให้รู้จับอดทนอดกลัน้นต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าคําพูดจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชาหรือจากคนไข้หรือญาติจิตใจเราไม่กระเพื่อมหรือถึงกระเพื่อมแต่ว่าก็อดทนอดกลั้นไว้ได้อันนี้ก็เรียกว่าเรากําลังบําเพ็ญภาวนา หรนะือว่าเวลาเราทำงานเราเห็นคนไายเห็นยาดเดือดร้อนนอกจากเราไปช่วยเหลือเขาด้วยความตั้งใจทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเรายังมีเมตตากรุณาต่อเขาเรายังแผ่เมตตาให้เขาอันนี้เราก็เรียกภาวนาได้นะก็คือการฝึกจิตให้มีความอ่อนโยนมีเมตตากรุณา เพรา ะ, ะเห็นได้ว่าแม้จะไม่ได้เข้าวัดทําแต่งงานแต่เราก็สามารถที่จะทําบุญได้ให้พั่งพร้อมเจริญด้วยทานศีลภาวนาวันนี้ทานศีลภาวนาเนี่ยนะพวกเราจะคิดว่ามันเป็นการทําเพื่อผู้อื่นแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นการ ก่ให้เกิดประโยชน์ตนด้วยเพราะว่าถ้าเราให้ทานเรารักษาศีลหรือเรามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมันก็เป็นการลดความในแก่ตัวลดความดิดม้นรนถึงมั่นในตัวตนลดความดิดม้นรนถึงมั่นในความเป็นตัวเราของเรา ฐารสลศเนี่ยมีไว้นะเพื่อขัดเกลากิเหลตัวเองด้วยเมื่อเราลดความคิดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราในทรัพย์สินหรือว่าในอารมณ์ ป, ปรารถนาของเราหรือความเป็นเจตัวเราก็จะมีใจที่สงบสงบเย็นได้ง่ายแล้วก็มีวิสหายามากมายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถที่จะนึกออกนะหรือว่าประสบสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองยังไม่ต้องพูดถึงบุญที่รออยู่ข้างหน้าหรือว่ารออยู่พบหน้าอันนั้นเราไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าจะก่อให้เกิดอ น, นิสงส์เมื่อใดแต่ว่า ให้ความดีที่เราได้ทำแล้วมีมีสหายที่นับถือที่ศรัทธาหรือเอื่อเฟื้อเราจริงใจต่อเรารวมทั้งความสงบเย็นในใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะประสบสัมผัสได้ทันทีที่เราได้ทำความดีไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม พูดถึงการทํางานเนี่ยกับธรรมะนี่อย่างที่บอกไว้แล้วมันไม่ได้แยกจากกันนะเราเวลาเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตเราทํางานด้วยโดยเอาความดีของเราเข้าไปในงานนั้ น, เ, นเราก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วทํางานด้วยความซื่อสัตย์ทํางานด้วยความวิริยะทํางานด้วยความรับผิดชอบ ทำงานโดยพยายามสร้างสามัคคีในหมูนะ่คณะไม่มีความอิจฉาพยาบาลอันนี้ก็เทว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วบางทีการอิจฉากันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมเป็นธรรมดามนุษย์แต่ถ้าเราเห็นใครดีแล้วเรามีมุติตาจิตให้ เราก็ถ้าว่าได้ปฏิบัติธรรมนะท่นี้ทํางานเนี่ยนอกจากทำงานให้สําเร็จแล้วเนี่ยทำงานให้มีความสุขก็สําคัญนะทำบ้านนี่นอกจาช่วยทําให้ทํางานสําเร็จแล้วหรือทํางานได้ดีอลไรยังช่วยให้มีความสุข ด, ด้วยเราสามารถจะทำงานอย่มีความสุขได้ด้วยการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน ลองสังเกตไหมว่าความทุกข์ความเครียดของพวกเราเวลาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากความความวิตกกังวลวิตกกังวลก็คือไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอาจจะเป็นงานการที่ยังค้างค า, งางอยู่หรือว่าอาจจะมายถึงสายตาของผู้คนของเจ้านายของผู้บังคับัญชาว่าเขาจะมองเราอย่างไร ถ้างานไม่สำเร็จงานไม่ดีเขาจะต่อว่าเราไมนะ่ความกังวลอาจจะออกมาด้วยความประมาทความประมาทอันนี้เป็นความกังวลเล็กๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับความกังวลหรือความวิตกและที่เราปล่อยให้ความวิตกกังวลเกาะกลุ่มใจก็เพราะว่าเราไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง นในการปฏิบัติธรรมรวมทั้งในการทำงานเนี่ยถ้าเราเอาใจามาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เรากำลังทำงานมันยังมีกี่ชิ้นที่ยังค้างคาอยู่เราเราวางาไว้ก่อนหรือว่าเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้บ้างจะลืมมาไปก่อนก็ได้และทำงานใส่ใจอยู่กับงานที่เราทำเฉพาะหน้า ความเครียดความวิตกกังวลจะลดลงไปเยอะมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานที่ยังค้างค า, งางอยู่แต่รวมถึงปัญหาที่ยังไม่เกิดแต่เราก็เอามาคิดละเช่นหนี้สินที่จะต้องจ่ายต้องชำระสิ้นเดือนนี้หรือว่าปีนี้ไม่ว่าจะเป็นลดบ้านีิคพอตเอาไว้ พอคิดเนี่ยทำงานไปพอคิดถึงงานเนี่ยแล้พอคิดถึงหนี้สินเนี่ยใจมันก็เหวไม่มีแรงแต่ถ้าใจเราดึงมาอยู่กับปัจจุบันนะเราจะคลายความวิตกกังวลไปได้เยอะให้ลองสังเกตเนื้อใจเราเนี่ยมันวอกแวกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็คอยไปเอาความทุกมาให้กับเรา เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาทางานเนี่ยก็บางใจนึกถึงลูกนะที่บ้านหรือที่โรงเรียนพอนึกถึงลูกใจก็กังวลไม่มีสมาธิทำงานแต่พอเรามาอยู่กับลูกที่บ้านเราก็ใจเราก็นึกถึงงานที่ยังคายอยู่แนะล้วแปลกเยเวลาอยู่ที่ทำงานใจนึกถึงลูกที่บ้านเวลาอยู่กับลูกที่บ้านใจก็นึกถึงงาน พอคิดถึงงานแล้วก็กังวลบางทีก็อารมณ์เสียใส่ลูกแทนที่จะอยู่ถ้าเราเวลาเราทํางานใจเรายอยู่กับงานเวลาอยู่กับลูกใจเรายอยู่กับลูกมันก็มีปัญหาหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะเวลานอนก็นึกถึงงานนอนไม่หลับแต่เวลาทํางานก็แตง่วง น, นอนนะเป็นหรือเปล่านี่เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบัน ถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำงานใจก็อยู่งานงาน๋ยวไม่ต้องนึกถึงลูกเพราะนึกถึงไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เวลาเรากลับมากลับบ้านอยู่กับลูกใจเราก็อยู่กับลูกเราก็วางงานการเสียไม่เอางานการมาเป็นอารมณ์งานก็จะดีใจก็จะเป็นสุขความสัมพันธ์กับลูกหรือคนในบ้านก็จะรับรื่นแค่เพียงแค่เอาใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาไปได้เยอะ การที่ใจจะอยู่กับปัจจุบันได้คือการมีสตนะิรู้ทันเวลาใจเปิดคิดไปเรื่องอนาคตหรือเรื่องอดีตบางทีเราก็ทุกเรื่องอดีตนะคำพูดของใครบางคนที่ต่อว่าเราเน็บแนมเราเราก็ลึกถึงอะไรก็ขุณเคลองใจหรือบางทีเจ็บแค้นหรือว่าไปนึกถึงความผิดพลาดงานการที่ไม่ประสบความสาเร็จ พอระลึกถึงก็ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจจะทําอะไรก็เลยเลยกังวลว่ากลัวว่าจะไปซ้ํารอยเดิมไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีสมาธิกับ ง, งานและทําให้ทํางานยังไม่มีความสุขอย่างที่อาตมาบอกนะงานมันจะมีเยอะแค่ไหนวางเอาไว้ก่อนอย่างเช่นเราทํางานตอนเช้าเราก็อย่าเไปกังวลเรื่องงานตอนบ่าย เราทำงานตอนบ่ายก็อย่าเพิ่งไปกัวงวลเรื่องงานตอนค่ำหรือว่าภาระที่บ้าน <c oughs> เวลาเรากินข้าวเรากินทีละคาใช่ไหมเวลาเราเดินเราเดินทีละก้าวใช่ไหมเวลาทําก็ทําทีละอย่างเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทำทีละอย่างอันนี้เป็ น, เ, ปนเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะใช้ชีวิตมีความสุข ถ้าเราเดินทีเดียวพร้อมกันหลายก้าวนะก็อาจจะหกลมถ้ากินข้าวไม่ได้กินข้าวทีละคำนะมันก็อาจจะสำลับทำงานทําทุกอย่างทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะก็เครียดทําทีละอย่างและใจจะเบามีนักปีนเขาคนหนึ่งเขาปีนเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วทุกทวีดรวมทั้งเขาเอเวเรสนะ เขาพูดให้เป็นข้อคิดไว้ดีนะเขาบอกว่าทุกอย่างมักจะดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาเขาจะปีนเขาเนี่ยเขามองไปที่ยอดเขาเนี่ยแค่เห็นยอดเขาเนี่เขาก็ทอ้อแลรู้สึกมันเจ้ามันลําบากนะอีกเป็นเดือนนะกว่าจะถึงยอดเขาเพราะว่ามันสูงอย่างหลายกิโลมันงใช้เวลาเป็นเดือนนะสองสามเดือนนะเพื่อปรับเพื่อปรับเพืปรับเข้ากับอากาศที่เบาบางในความสูง ห้าหกเจ็ดแปดกิโลเมตรแต่เขาบอว่าการปีงถท้าจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเพียงแต่เขาสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเขาแล้วก็กล้าไปเดินทีละก้าวแค่นี้เองถ้าเราสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วเดินทีละก้าวทีละก้าวเดี๋ยวมันถึงเองถ้าทำไม่หยุดอย่าไปกังวลกับเป้าหมายเป้าหมาย มันถึงแน่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคาว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็มีความหมายนี่แหละนะก็คือว่าทำงานที่อยู่เฉพาะหน้าโดยที่ไม่ต้องไปกังวลถึงเป้าหมายแต่ทำให้ดีเหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่ถ้าเรานั่งรถถูกสายหรือว่าเดินบนถนนที่ถูกต้องเนี่ยในสุดมันถึงแน่ ไม่ต้องห่วงว่าเมื่อไหร่จะถึงหลายคนทํางานก็มีความทุกขว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนี่พอใจไปอยู่กับอนาคตนะใจไปอยู่กับเป้าหมายนะกลับม่อยู่กับปัจจุบันซะนะแล้วอันเนี้ยมั น, เ ป, นเป็นวิธีเป็นเทคนิคที่เราเอามาใช้กับการทํางานกับการดําเนินชีวิตของเราก็ได้อะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปกังวลกับมันมากแต่ไม่ได้แปล ว, ว่าไม่วางแผนวางแผนได้นะวางแผนได้ เรามีหนี้สินที่ต้องชําระแล้วก็วางแผนว่า เ, ออเดือนนี้เราจะชําระเท่าไหร่เดือนหน้าเราชําระเท่าไหร่เมื่อเราวางแผนเสร็จเราก็ลืมลืมเดือนอื่นๆไปแล้วก็ทําแต่ว่าันทําเดือนนี้ให้ดีสุดได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไปชําระนี่มีคนเคยถามหลวงพ่อพยอมว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นหนี้ธนาคารหลายสิบล้านนี่เครียดไหมทุกไหมพอมาส่วนแกนี่ กู้เงินธนาคารมาพัฒนาวัดแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเยอะแยะคนก็เลยเป็นห่วงหลวงพ่อไปยมท่านตอบว่าอย่างนั้นตอบว่าจะทุกข์ไปทำไมไอ้คนที่น่าจะทุกข์มากกว่าคือเจ้าของเงินว่าเราจะมีปัญญาจ่ายหนี้หรือเปล่าอาตมาไม่ทุกข์หรอกนะไม่ใช่แต่ว่าท่านไม่บียวนะไม่ใช่ท่านก็ตั้งใจจะจ่ายนะแต่ท่านไม่เอามาเป็นกังวล ไม่แบกบไม่แบกเอาว่าไม่เอานี่มาแบกไว้นี่รู้ป่ะทําทงานแบบปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแปลว่าไม่ได้แปลว่าปล่อยปลาร่ำเลยนะก็ยังทํางานเพื่อจะหาเงินมาใช้นี่แต่ว่าใจไม่แบกบไม่แบกนี่เอาไว้เวลาเราทํางานเนี่ยเราอย่าแบกงานเอาไว้นะเราทําแต่งานที่ข้างหน้าไอ้ส่วนอีกี่อ้กี่สิกกสชิ้นที่มันอยู่อย่าไปแบกมันเอาไว้แล้วเราจะทํารื่อใจปล่าโปร น, นี่เราใจอยู่กับปัจจุบันอันที่สองเนี่ยพยายามมองเห็นพยายามพยายามมองเห็นแง่บวกบ้างนะความผู้จักการของงานเพราะเราเห็นแต่แง่ลบทั้งงานลบของตัวเองแล้วแง่ลบของคนอื่นหลายบ้าหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกติดค้างคาอยู่กับข้อบกพร่องของตัวเองซึ่งทําให้ไม่มีความมั่นใจและทําให้เป็นทุกข์ ตัวอย่างเรื่องนี้ก็ จ, จะเป็นคติสอนใจได้พระอาจารย์พรหมวังโสเนี่ยท่านเป็นพระชาวกรีฑแล้วก็มาบวชอยู่กับลกหลวงพ่อชาหลวงปู่งตอนหลังภาษาท่านมาท่านก็ย้ายไปสอนธรรมที่ประเทศออสเตรเลียไปที่นั่นเนี่ยก็ต้องบุกเบิกสร้างวัดพระนี่ต้องลงมือสร้างวัดด้วยตัวเองเพราะว่า ไม่มีปัญญาไม่มีเงินจะดจ้างแพงมากนะค่าจ้างท่านก็ได้ละบมอบหมายให้ก่อกระแพงท่านก็ตั้งใจก่อกระแพงอิฐเทล็ก้อนมาวางเรียงอิฐเหล็ก้อนอิฐเล็ก้อนให้ได้มุมได้ฉากกันท่านทําอย่างประณีตมากจนกระทั่งทําทเกือบเสร็จแล้วก็สังเกตว่ามันมีอิฐสองก้อนที่มันไม่เป็นระเบียบนะมันไม่สวยเลย ถ้ารู้สึกขาดหูขาตามมากแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าอิฐเนี่ยมันก่อยัอเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ปูนก็แข็งแล้วท่านบอกว่าเนี่ยถ้าหักระเบิดได้ระเบิดกำแพงนี้ได้ก็จะระเบิดเพื่อทำใหม่ใจเจะเาว่าแม่ดุย่าแล้วทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านกำแพงนี้ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกขาดหูขาดตามมาก็เห็นแต่อีกสองก้อนนี่นะ แล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็มีคันตุกะมาเยี่ยมท่านก็พาเดินชมว่าอาคันตุกาเขาเดินผ่านกำแพงบอกว่าเขาพูดชมว่ากำแพงสวยอาจารย์พรหมบางโสบอก ว, ว่าไม่เชื่อหูเลยนะก็ถามไปว่ากำแพงสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นเลยไออีสอก้อนเนี่ยท่านเชื่อไปที่อีสองก้อนที่เป็นปัญหาอาคันตุกาก็บอกว่าผมเห็นครับแต่ว่าผมเห็นอีดีก้อนลก็สก้อนที่มันสวย นะอาจารย์พไม่มีความสุขเพราะเห็นแต่อีสองก้อนที่มันไม่สวยแต่ว่าอาการตกการ เ, เขาเห็นอีกเก้า้เก้สแป ก, ก้อนนะที่ยังดีที่ยังสวยอยู่เห็นความแตกต่างนะคนดูมอในแง่ลบอีกคนดูมอในแง่บวกมันก็อยู่ที่เดียวกันแหละนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมองอย่างไรก็ ค, คล้ายๆกับครูที่นักเรียนครูวันหนึ่งครูก็เอาเอา คร si ูกระดาษสีขาวขึ้นมาแผ่นหนึ colors, ่งแล้วก็มุมขวานี S ่ก็มีกากบาดสีดําแล้วก็ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนก็ทั้งชั้นบอกเห็นกากรบาดสีดําครับครูก็ถามว่านักเรียนไม่เห็นอะไรเลอนักเรียนก็บอกไม่เห็นครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยหรือพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นแต่กากบาดแต่ไม่เห็นสีขาวของกระดาษ เห็นแต่อีกสองก้อน <ón> ที่มันไม่สวยแต่ว่ามองไม่เห็นอีกเก้าร้อก้แปก้อนที่มันสวยนะเวลาเรามองกลับไปที่งานของเราที่ชีวิตของเราเนี่ยอย่าให้อย่าเห็นแต่กรารกระบาดหรือแต่อีกสองก้อนให้เห็นสีขาวที่มันมีเต็มพื้นที่หรือเกือบเต็มพื้นที่หรือว่าอีกเก้าก้สปแปก้อนที่มันยังดีสวยเวลาเรามองเพื่อนนะเราก็มองแบบนี้บ้างอย่าเห็นแต่แง่ ข้อไมดีของเขาลองเห็นข้อดีของเขาย้ายเห็นแต่จุดอ่อนเขาเห็นแต่เห็นข้อจุดแข็งของเขาบ้างแล้วเราจะทำการมีความสุขมากขึ้นในถิ่นนองเดียวกันเราใหญ่เห็นแต่ความแตกต่างให้เห็นความเหมือนบ้างทุวันนี้เรามักจะมองเห็นแต่ความแตกต่างเห็นแต่ความแตกต่างตอนที่ความแตกต่างมันเป็นเพียงแค่ส0เปหรือหเท่านั้นเอง อีกเก้าหรือเมันคือความเหมือนนะทุกวันที่เราทะเลาะกันในที่ทํางานหรือทะเลาะกันทั่วประเทศเพราะเห็นแต่ความแตกตา่างหมองไม่เห็นความเหมือนซึ่งมีมากกว่าที่ดึงความแตกต่างก็ไม่ได้เปข้อเสียนะถ้าเรารู้จักเอามาเอามาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คือเอามาเสริมกันความแตกต่างเนี่ยมันก็เป็นข้อดีถ้าเราเอามาเสริมกันเรียรู้จักใช้ อาตมาไปภูฐานอีกสามปีต่อนะประเทศภูฐานเนี่ยตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีภาพวาดฝักภาพว่าดเยอะแยะนะในตามตัวตึกก็จนมีภาพวาดเป็นประเทศที่ชอบชอบวาดแม้กระทั่งบ้านหรือก็จะวาดภาพหน้าหน้ า, ห น, าหน้าบ้านและภาพหนึ่ที่เห็นบ่อยในที่ทํา ง, งานในโรงแรมในสถานที่ราชการแม้กรในบ้านคนบางทีเป็นภาพปริดินฐ์ก็คือภาพสีสหาย สีสหานีมันมีที่มาจากชาตกนะในพระไตรปิตกสีสถานีก็คือนกลิงกระต่ายแล้วก็ชา้างนะทำไมคนพูฐานถึงนิยมชาตุกเรื่องนี้นะเพราะว่าสีสถานีสอนใจสีสถานีนะเขาช่วยกันปลูกต้นไม้นกนี่ก็ไปคาบเม็ดม้ ในดินนะส่วนกระต่ายก็ขี้เพื่อให้เป็นปุ๋ยลิงก็เอาน้ำมาลดเนะพราะลิง ม, มีมือช้างมีงวงก็ไปเอาใบไม้เนี่ยมาทำเป็นร่มเป็นร่มงเงาให้กับต้นกล้าเพื่อบังแดด เอาต้นไม้เอาใบาเอาใบาไม้นี่ใหญ่ๆเนี่ยก็ทำให้ต้นไม้นี่มันโตและในสุดก็ให้ดอกให้เมล็ดให้ผลทั้งสี่ตัวก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้และทั้งสีายนี้ก็ผูกต้นไม้ทีละต้นทีละต้นเมือนการเป็นป่าอันนี้ก็สอนใจไว้แล้วก็สอนใจว่าแม้จะแตกต่างกันแต่ว่าสามารถจะช่วยเหลือเกือ้อกูลและร่วมมือกันได้ เ็าสอนใจว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยหรือว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเก่งเป็นคนละด้านถ้าเราความเก่งคนละด้านนี่เอามาผสมกันนะมันก็จะเกิดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องการเอาความแตกต่างมาเสริมกันนะจนกรทัางเกิดผลสาเร็จขึ้นมาแห้พวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ถ้าเราเก่งแต่เห็นความแตกต่างก็ลองเห็นในเชิงแง่ที่ว่ามันช่วยมาเสริมเราการที่มองคนละมุมมันก็ทําให้เราเห็นได้รอบด้านมากขึ้นงั้นเราอย่าอย่าอย่าไปลังเกียจความแตกต่างและขณะเดียวกันก็อย่าเห็นแต่ความแตกต่างให้เห็นความเหมือนด้วยเราก็จะรักร ก, รกันได้ง่ายเราก็จะร่วมมือกันได้ง่ายไม่ว่าที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ตามอันนี้ช่วยทําให้เราทําทงานมีความสุขนะ เราจะรับฟังความเห็นที่แตกต่างรับฟังคำ ว, วิจารณ์ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ทุกข์เพราะเราเห็นว่าความวิจารณ์ก็มีประโยชน์การที่เราเห็นคำ ว, วิจารณ์ไ่าพื่มีประโยชน์นี่ก็เป็นการมองแง่บวกนะเพราะควิจารณ์เนี่ยถ้ามองแง่ลบ ก, ก็คือมันเหมือนกับแหนมที่มาเหมือนกับหนามที่ทิ่มตําใจเราแต่แง่บว ก, กคือว่า มันทำให้เราได้เห็นในหลายรอบด้านมากขึนะ้นและเือเราเห็นความผิดพลาดของตัวเองมีข่าบันีคนหนึ่งเป็นเจ้าของเมืองโบราณเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณตอนนี้เสียชีวิตและช่อคุณเล็กปริยพันธ์แกรวยมากแต่ว่าแกเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็สนใจในธรรมะแกพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิมันนัเป็นอภมงคลวันไหนไม่ถูกตำหนิมันนัเป็นอภิมงคลสาหรับหลายคนคาตาหนิ ไม่เป็นมงคลเลยวันถ้ามานไหนถูกต้องาาิแต่เช้านี่วันนั้นสวยทั้งวันที่แบบนี้แต่สำหรับคุณแล้วเป็นมงคลเพราะว่ามันทําให้ไม่หลงตัวลุมตนเลยเพราะคนที่เป็นผูน้นํามักจะมีคนประจบมีคนชมเชย ต, ตัวกระทั่งดืมตัวนึกว่าเป็นเทวดาผิดไม่ได้แต่ถ้ามีคนตำหนิก็ทําให้รู้ว่เออเรานี้ก็เป็นบรุ ม, มานาผิดผิด ม, มีพลาดได้แค่ต้องต้องระมัดระวังไม่ประมาท อันนี้เรียกว่าเป็นการมองแง่บวกนะพูดถึงและพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันแล้วพูดถึงการมองแง่บวกแล้วนะการมองแง่บวกนใช้ได้เยอะเลยนะแม้กระทั่งเวลาทำงานล้มเหลวความล้มเหลวก็สอนใจเราความล้มเหลวสามารถเป็นครูเราได้ความล้มเหลวความดีความลุ่ ม, มเรลวมันคือามันทให้เรากลัวน้อยลงคนที่เจอแต่ความสาเร็จนะ จะมีความกลัวอย่างห น, นคือกลัวล้มเหลวมีนักธุรกิจคนหนึ่งแ ก, กเป็นคนที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เล็กนะจนโตแล้วมาทยาลัายแกก็ได้เก่งนิยมพอแกมาทําธุรกิจแกก็กลัวล้มเหลวเพราะนั้นแกจะลงทุนเฉพาะในกิจการที่มันชัวร์ชัวร์ปึกเนยะของตายนะอะไรที่เสี่ยงนี่แกไม่ทนะําเลยเพราะแกกลัวล้มเหลว แล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านหน้าที่แกตั้งแกพยายามและระมัดระวังอย่างดีแล้วไนอะ้งานที่แกทำชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งก็เกิดล้มเหลวขึ้นมาแกก็เสียใจยอยู่พักหนึ่งนะเสร็จแล้วแกก็สักพักแกก็ดีขึ้นเพราะแกพบว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทีแรกแกคิดว่าถ้าล้มเหลวเนี่ยมันต้องฟ้าถาล่มดินทลายจะถูกคนเยอะอยะเพราะ ว, ว่า คนจำนวนมากก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจความล้มเหลวของแกเลยไม่ได้ยออยไเยอะหยันะอะไรแกเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาในวงการธุรกิจแกเลยได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสิ่งที่ตามมาคือแกกลัวความล้มเหลวน้อยลงแกไม่กลัวความล้มเหลวแล้วล เ, ลลเพราะว่ามันไม่ น, น่ากลัวอย่างที่เราเคยวาดภาพไปเลยแล้วมันทําให้แกกล้าที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรที่มันเสี่ยงเสียงได้และทําให้แกสนุกทำให้แ ก, ก, แกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะว่าการทำอะไรที่มันเป็นของชัวของปึ๊บเนี่ยบางทีมันน่าเบือเ่อนะแต่คนหลายหายคนยอมทำสิ่งที่น่าเบื่อเพราะกลัวความล้มเหลวทําแต่งานเดิมเนี่ยเพราะกลัวว่าถ้าเปลี่ยนงานใหม่แล้วจะทําได้ไม่ดีกลัวหรือว่าถ้าเจ้านายบอกให้ไปเปลี่ยน ง, งานใหม่เนี่ยทุกขึ้นมาทีเครียดเนี่ยเป็นเพราะกลัวความล้มเหลวแต่ถ้าเราลองอมองเขารุ้นเหรอนี้ก็เป็นครูสอนอะไรเราได้ต้องหลายอยา่างรวมท่านทําให้เรา ตัวน้อยลงเนี่ยเราจะกล้าทำอะไรที่มันเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าไม่กลัวความล้มเหลวซึ่งจะทำให้เราทำงานมีความสุขมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญ น, นะก็คือว่าการรู้จักเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นนี่มีปัญหานะ หลายคนเนี่ยทำงานมีความทุบไปเห็นเพื่อนเขาได้เงินเดือนมากกว่าเขาได้โบนัสมากกว่าเขาได้เลื่อนขั้นมากกว่าเราเขาได้ตำแหน่งสูงกว่าเราหรือว่าเขาทำงานได้เขาได้งานที่เบาวกว่าเรานะความทุบแบบนี้เกิดขึ้นนะมากทีเดียวจากคนทำงานทุกเพราะการเปรียบเทียบ แล้วมันไม่ใช่ทุกข้เปรียบเทียบในมันไม่ใช่มันไมทุกในการทำงานนะทุกในการดาเนินชีวิตด้วยเห็นบ้านตรงข้ามหรือบ้านติดกันเขามีรถใหญ่กว่าเราบ้านหลังใหญ่กว่าเราหรืออย่าว่าอะไรเลยนะเวลาไปช้อปปิ้งเวลาไปเที่ยวนะเราไปซื้อของติดมือมาทีแรกเราก็ดีใจที่เราได้ซื้อของถูกอุษาต่อนะจาก500หรือ300ดีใจ แต่พอเห็นเพื่อนเขาซื้อชิ้นของชียด์เร์กันเขาต่อได้สองยห้าสิบนะเร า, ห น, าหน้าบึ้งเลยนะบางคนในหมู่บ้านกะบาเนียแทงหวยสิบห้าบาทได้หกร้อยถูกได้หกร้อยดีใจมากเลยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแทงตัวเดียวกันเลยแต่ก็แทงมากกว่าเขาแทงห้าสิบได้สองพัน พอรูเพื่อนได้สองพันนี่แกที่เคยยิ้นี่หกเลยนะพอเราได้หกร้อยอันที่แรกดีใจแตาทำไมตอนหลังเสียใจเพราะไปเปรียบเทียบว่าเขาได้มากกว่าเราแล้วคนเราที่แปลกนะคือเราจะมีความสุขได้ง่ายถ้าเราไม่เปรียบเทียบแต่เราก็เปรียบเทียบแล้วเนี่เราทุกขึ้นมาทันทีเขามีการเขามีการเอ มีมีการสอบถามนะผู้หญิงที่หน้าตาดีในหลายประเทศแล้วก็พบอย่างหนึ่งว่า 80-90% ของผู้หญิงเลาเนี้ยนะจะไม่ค่อยชอบหน้าตาส่วนทรงหรือรูปร่างของตัวเองอันนี้เพราะอะไรเพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไปเปรียบเทียบตัวเองกับดาราไปเปรี่ยบเทียบตัวเอกับนางแบบซูเปอร์โมเดลนะพอเปรียบเทียบเหล่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรเป็นขี้เลยิ่งเปรียบเทียบเท่าไรราก็ทําให้เรากลับมาเห็นแง่ลบของตัวเราเองมากขึ้นแล้เวลาทํางานกับเหมอนกันถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นนี่เราทุกนะหรือว่าเวลาเรารู้ว่ามีคนทํางานน้อยกว่าเราหรือว่าไปไปเจอคนที่ เขาเอาดูเขากินแรงเรานะหลายคนมีความทุกข์เพราะรู้สึกว่าเพื่อนกินแรงเราแล้วก็ทำงานก็เลยทำด้วยความทุกข์มันมีตัวอย่าง น, นที่น่าสนใจนะที่เตือนใจเราได้ดีเป็นเรื่องของเด็กอายุสิมขวบนนะี่แหละคือแก ได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการของ PBS ีเอสชื่อพลเมืองเด็กเมื่อส3งสปีที่แล้วรายการนี้ก็พาเด็ก3าคนนีมาทำกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดโรงเรีเยนบ้างเลี้ยงม้าบ้างแต่คราวนี้ก็ให้คนของขึ้นรถไฟเพื่อให้เป็น Reality Show ชนะเรียลลเพื่อให้ครูเพื่อให้ผู้ปกครองดู รถไฟนี่มันมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉันต้องรีบคนของแต่ก็วันนั้นเนี่ยบ่ายวันนั้นสมจิตจอนจอหอขึ้นชกนะพวกเรารู้จักสมจิตนะนักชกเหรียนทองโอลิมปิกเด็กสองคนได้เป็นผู้ชายพอร่วมมีการถ่ายทอดสดแกก็หลอยหายไปไปดูโทรทัศน์ข้างสถานีรถไฟก็เหลือแต่เพื่อนผู้หญิงคนนี้แหละเด็กผู้หญิงเนี่ยแกก็คนของแต่แกนของอย่างกระตือลง พิธีกรก็เลยแปลกใจก็เลยไปถามว่าหนูคิดอย่างไรที่เพื่อนเขาหนีไปดูโทรทัศน์ดูสมจิตชบเด็กก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพาะเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะเห็นสมจิตขึ้นชคไอ้หนูนี่ไม่ค่อยสนใจฟุตบอลชก ม, มวยก็เลยทำงานของหนูไปพิธีกรก็ยัง ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามใหญ่อีกว่าแล้วหนูไม่โกรธหนูไม่คิดจะด่าว่าเพื่อนนี่เขาทิ้งหนูให้ทํางนานคนเดียวเหรอเธอตอบเีบียเธอตอบว่าหนูเขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วหนูก็เหนื่อยสองอย่างถ้าเป็นเราเราจะเหนกี่อย่างนะทำไปก็บ่นไปมึงเอาเกลียดกูมึกินแลงกู นี่รู้ว่าเหนื่อยทั้งกาย<ๆ>เหนทั้ทงใจแต่เด็กนี่เขาฉราแนละ้แค่สิบกวาปีสามาเองารู้ว่าถ้าเขาคิดแบบนี้ถ้าเขามีอารมณ์แบบนี้นี่เขาเหนื่อยเหนื่อยใจแล้วกอคนเราเนี่ยที่เราทุกกับการทํางานไม่ใช่เพราะเหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจเหนื่อยใจเพราะว่าเห็นเพื่อนกินแรงหรือว่าเอาแต่คิดถึงการที่เพื่อนเอาเปรียบเราหรือว่าเครียดวิตกกักกงวลกับงานที่มันไม่เสร็จสักทีเมื่ อ, อไหร่จะเสร็จกังวลกับหนี้สินกังวลกับลูกว่าจะสอบข้ามหาวิทยาลัยได้ไหม บางทีมันไม่เกี่ยวกับงานเลยนะที่เราทำอยู่ใช่ถ้าเราทำแต่งานเนี่ยนะเราจะเหนื่อยแต่กายแต่ใจไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันก็ดีการทำปัจจุบันที่ดีที่สุดการไม่เปรียบเทียบการมองเห็นแง่บวกไม่เห็นแต่แง่ลบของคนอื่นนสังคัญถ้านะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราทำงานได้มีความสุข อันนี้แหละคือธรรมะนะที่เรามาใช้กับงานเอามาใช้กับชีวิตของเราได้และทำให้เราทำงานได้ดีงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข แ, แล้วก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมการถวายสังฆทานก็ถือว่าวันนี้ท่านได้ทำทั้งทานศีลภาวนาภาวนาเนื่เ ก, กิดจาการที่ได้ฟังธรรม แล้วก็ถาาว่าเอาไปประตปฏิบัติกับงานตัวตั้งแต่เช้าวันนี้นะก็ถ้ากอได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมสุดท้ายนี่ก็ขออารัธนาคุณพระศิรินักไตรอำนุนอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายิ ว, าาวันะสุขภาละพกเกพื่อเป็นรัประจัยในการทำความดีงามไม่ถึงพร้อมต้องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ขอเจริญพรถาสีและพรนานเพื่อให้มีปัญญาพาจึงออกจากความทุกข์ข้าถึงความสุขเกษสารประกอบกับขอให้บุคคลที่เราได้บวมเป็นในวันนี้นนได้เป็นประปัจจัยอำเนวยเป็นที่ ป, าปราสมบัติให้กับผู้ที่รงรับให้ได้ประสบความสุขในสามรประยภพสมตามความปรารถนาของเราทุกคนเทอญ เดี๋ยวเราเดี๋ยวตมาจะทํานะัน่นหมาบองสกุลเล็ก น, อนนะ้อยน ะ, ะอาจ็ถทวายเลยไหม